6. อารามวัตรสิกขาบทที่หนึ่ง2 2งถามพระผู้มีพระภาคอราหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้รู้อยู่เข้าไปสู่อารามที่มีภิกษุโดยไม่บอกณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณนะกรุงสาวัตถี ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปเข้าไปสู่อารามโดยไม่บอกในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสองอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐาน เป็นธุระนิเขปะสมุดฐานละ